วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมเลยมีเวลาที่จะมาวัดกันการมาวัดก็เป็นเหมือนกับการขับรถยนต์ไปสู่สถานีบริการรถยนต์มีความจาเป็น ที่จะต้องเข้าสู่สถานีบริการเพราะว่าน้ำมันที่ใช้ไปก็จะหมดน้ำก็อาจจะแห้งลมก็อาจจะหายไปทำให้ถ้าไม่ได้เติมน้ำมันเติมน้ำหรือเติมลมให้แก่รถยนต์รถยนต์ก็จะ ไม่สามารถใช้การได้ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ตามที่ผู้ขับรถยนต์ปรารถนาที่จะไปจิตใจของพวกเราก็เหมือนกับรถยนต์ที่กำลังเดินทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ไปสู่การเส้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จำเป็นที่จะต้องแวะสถานีบริการของใจก็คือวัดนั่นเองวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุ ธ, ธรรมถึงจะถือว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์ เหมือนกับสถานีบริการต้องเป็นสถานีบริการที่มีทั้งน้ำมันมีทั้งน้ำมีทั้งลมไว้ให้เติมถึงจะถือว่าเป็นสถานีบริการที่สมบูรณ์ที่จะสนับสนุนให้รถยนต์นั้นสามารถวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่าง อย่างปลอดภัยโดยปราศจากอุปรสรรคต่างๆจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันตอนที่เรากําลังเริ่มต้นนี้จิตใจของพวกเรายังเป็นเหมือนเด็กเล็กอยู่แต่เราต้องการที่จะสเสริมสร้างจิตใจของพวกเรานี้ ให้เป็นจิตใจของผู้ใหญ่ให้สามารถพาให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จิตใจของเราต้องมีพลังในระดับผู้ใหญ่จิตใจของผู้เริ่มต้นศึกษาปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเรานี้ยังถือว่าเป็นจิตใจของเด็กที่ยังล้มลุกคลุกขาอยู่ยังไม่สามารถยืนหรือเดินหรือวิ่งได้อย่างสมบูรณ์ยังกําลังหัดยืนกําลังหัดเดินกําลังหัดวิ่งอยู่บางทีก็ยังล้มลงไป เราจำเป็นที่จะต้องอเข้ามาวัดเพื่อมาพัฒนาจิตใจมาเสริมพลังให้แก่จิตใจนั่นเองพลังของจิตใจนี้ได้แก่อะไรพลังของจิตใจก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันก็คือหนึ่งศรัทธาสองวิริยะ ความภาคเพียรสสติความระลึกรู้สี่สมาธิความตั้งมั่นของจิตใจห้าปัญญาความรู้ความฉ ล, ลาดในความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงนี่คือธรรมที่เรียกว่าอินสีห้า ที่จะพัฒนาให้ไปเป็นพละหต่อไปตอนนี้จิตใจของพวกเรามีมีอินทรีย์าที่ยังไม่มีกําลังเหมือนกับพละหอินทรีห้าก็เป็นเหมือนกับเด็กที่ยังต้องมีการพัฒนาให้เจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เพราะเด็กจะไม่สามารถทำงานทำการได้สําเร็จรุยเรื่องเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองเด็กจึงต้องมีการพัฒนาตนเพื่อให้เจริญเติบโตขึ้นไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สามารถไปทำงานทำการ ทำอะไรต่างๆเพื่อให้สำเร็จดุล่วงไปได้จิตใจของพวกเราที่ปรารถนาต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาจิตใจคือพัฒนาอินสีห้า ให้เป็นภลระหาให้ให้พัฒนาจากเด็กให้ไปเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ศรัทธาของพวกเรา <c oughs> ยังเป็นศรัทธาของเด็กวิริยะความภาคเพียนก็ยังเป็นความภาคเพียนของเด็กสติก็ยังเป็นสติของเด็กสมาธิก็ยังเป็นสมาธิของเด็กปัญญาก็ยังเป็นปัญญาของเด็ก <c oughs> ก็ยังล้มลุกคลุกขานอยู่ยังไม่เข้มแข็งยังไม่สามารถทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันได้เราจำเป็นที่จะต้องมาเสริมศรัทธาเสริมสติเสริมวิริยะเสริมสมาธิเสริมปัญญากันด้วยการมาวัด มีการศึกษามีการสั่งสอนมีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติธรรมและมีผู้บรรลุธรรมเพราะการที่เราจะศึกษาได้อย่างถูกต้องแม่นยําจําเป็นที่จะต้องศึกษาจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเพราะผู้ที่บรรลุธรรมนี้เป็นผู้ที่ รู้ทางสู่การหลุดพ้นรู้วิธีในการเจริญเสริมสร้างพลังให้แก่จิตใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั่นเองถ้าศึกษากับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็จะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถพัฒนาจิตใจ พัฒนาอินทรีย์ห้าให้ไปเป็นพระห้าได้ถ้าจิตใจขาดพระหา้าจิตใจก็จะไม่มีกำลังที่จะหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าวัดที่สมบูรณ์วัดที่มีการสั่งสอนในการศึกษา แล้วก็มีการปฏิบัติแล้วก็มีการบรรณุธรรมถ้าได้ไปอยู่วัดแบบนั้นก็จะสามารถพัฒนาจิตใจให้เป็นให้มีพระห้าขึ้นมาได้เมื่อมีพระห้าแล้วก็จะสามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ ดังนั้นการที่เราได้เข้าวัดกันจึงเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับรถยนต์ที่จะต้องมีการจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆในระหว่างเดินทางไปไหนมาไหนเพราะรถยนต์ที่เราเติมน้ำมันไว้เติมน้ำเติมลมไว้เมื่อเราขับขี่รถยนต์ไปไหนมาไหนน้ำมัน น้ำและลมก็จะค่อยๆหมดไปนั่นเองถ้าเราไม่เติมต่อไปรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้จิตใจของพวกเราก็ต้องเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเข้าวัดเพื่อมาเสริมศรัทธาเสริมวิริยะเสริมสติเสริมสมาธิเสริมปัญญากันเพราะนี่คือ พลังของจิตใจนั่นเองพลังที่จะขับเคลื่อนจิตใจให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นอันดับแรกเพราะการฟังเทศฟังธรรมจะเสริมให้เราเสริมศรัทธาของเราให้แก่กล้าขึ้นจะทําให้เรามี พอเรามีศรัทธาแล้วก็จะทำให้เกิดความพางเพียนตามมาเวลาเรามีศรัทธากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามักจะสามารถทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราความพางเพียนของเราให้แก่สิ่งนั้นได้ถ้าเราไม่มีศรัทธากับสิ่งนั้นเราก็จะไม่มีความทุ่มเท มีความภาคเพียนที่จ ะ, ะทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราไม่ศรัทธาดัางนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราได้ฟังจากผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วเราจะเห็น เราจะได้ยินถึงประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราขณะนี้ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่ ถึงแม้เราจะพยายามดิ้นรนทำมาหากินหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดเราก็กลับมาเจอความทุกข์เหมือนเดิม ต่อให้เราหาอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นราบยศสรรเส ร, ริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผทอผ้ชนิดต่างๆมาเสพมาเป็นสมบัติต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่ถาวรกับเราได้ ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้อย่างถาวรต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ยังต้องมีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ยังมีความทุกข์ความปวดเสี ย, เยนเวียนเก้าเข้ามาลบ ก, กวนใจอยู่เรื่อยๆต่อให้ได้รับรางวัลมากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ต่อให้ได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆตามสถานที่ต่างๆเช่นตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามสถานบันเทิงต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้ จะกาจัดได้ก็เป็นพักๆเป็นช่วเป็นช่วคราวขณะที่เราได้ไปเที่ยวได้ไปเสพสุขกันความถูกความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็อาจจะหายไปชั่วคราวแต่พอเราต้องกลับมาเจอสภาพเดิมๆกลับมาที่ทำงานกลับมาอยู่กับคนนั่นคนนี้กับเรื่องนั่นเรื่องนี้เดี๋ยวความทุก ก่ที่เคยมีอยู่มันก็หวนกลับคืนมหอีมันจะไม่มีวันหมดไปจากจิตจากใจของพวกเราถ้าเราไม่ได้กําจัดมันโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กําจัดกันนั่นเองก็ให้เรากําจัดกันด้วยการมาเสริมสร้างพลังให้แก่จิตใจเสริมศรัทธาให้มีความเชื่อใน แนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดำเนินกันให้เราปฏิบัติกันนั่นเองถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราเชื่อว่าแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นแนวทางอันเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตั้งปรุงได้อย่างถาวร ที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปมีทางเดียวเท่านั้นคือทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติก็คือให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนานเนี่ย นี่คือทางที่จะนำจิตใจของพวกเราให้ได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เรามีที่มีอยู่ในใจของพวกเราและให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกขณะนี้ ความสุขต่างๆที่เราได้รับจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้พอได้รับไปแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็มีความทุกข์ความกังวลใจความวุ่นวายใจเข้ามาแทนที่อยู่เรื่อยๆจึงทำให้เราต้องพยายามหาวิธีคอยกาจัดมันอยู่เรื่อยๆด้วยการหาความสุขใหม่ๆเข้ามา กำจัดมันอยู่เรื่อยๆแต่ก็กำจัดได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเพราะความสุขที่เราหาได้ในโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาเรามีวันหยุดเราไปเที่ยวกันเราก็มีความสุขกันพอกลับมาจากเที่ยวกลับมาทำงานความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมด ความทุกข์ที่เกิดจากการเจอปัญหาต่างๆในการทํางานก็กลับมาหาเราอีกเราต้องเห็นความแตกต่างระหว่างวิธีการกําจัดความทุกข์วิธีสร้างความสุขของพวกเรากับของพระพุทธเจ้าว่ามันต่างกันอย่างไรผลที่ได้รับต่างกันอย่างไร วิธีการของพวกเราเป็นวิธีการกําจัดทุกข์ชั่วคราวเป็นการสร้างความสุขชั่วคราวจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้จะไม่มีวันหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปได้จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้วิธีการของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีการที่จะทำให้เรา กำจัดความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรกำจัดการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างถาวรเพราะพระพุทธเจ้าได้กระทํามาแล้วได้รับประกันและมีผู้ที่ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและนําเอาไปปฏิบัติจนสามารถ บรรลุธรรมขั้นต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ก็เป็นผู้ที่มายืนยันหรือมารับประกันคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้ารับประกันทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินให้ปฏิบัติว่าเป็นทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงอย่างถาวรเมื่อเราได้ฟังความจริงเหล่านี้ เราก็จะเกิดศรัทธาในการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระอาริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นผู้ที่แสดงให้เราเห็นว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างไรนั่นเองผลก็คือจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปตามลําดับเป็นขั้นๆไป เหมือนกับการศึกษาล้ำเรียนเราเรียนหนังสือเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นไปตามลําดับเป็นขั้นขั้นไปกําจัดความโง่เขลาเบาปัญญาที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปเป็นขั้นขั้ น, นไปถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากด็ดีจากพระอริยสงสารุกรดี จะทำให้เรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาแล้วความขยันหมั่นเพียรที่เรียกว่าวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรมันก็จะมาเองถ้าเรามีศรัทธาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็จะสามารถามีความขยันหมั่นเพียร ที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติตามคำสอนที่เราศรัทธานั่นเองถ้าเราได้ฟังเทศอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินี่เป็นทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากการ เวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พอเรามีความเชื่อมั่นแล้วเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จให้กับการปฏิบัติแล้วพอเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยเราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคำสอน เห็นคุณค่าต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นไปมีศรัทธามากขึ้นไปต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นในขั้นต้นนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ เพื่อเราจะได้รู้ว่าการปฏิบัติแต่ละข้อนี้มีประโยชน์อย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราได้ศึกษาเราก็จะทราบว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำทานกันทำไมเราท่านสอนให้เรารักษาศีลกันทําไมท่านจึงสอนให้เราภาวนากัน เมื่อเรารู้เหตุผลว่าทำแล้วเพื่อกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปนั่นเองเราก็จะมีศรัทธามีความภาคเูียนที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วพอได้ปฏิบัติก็จะได้สัมผัสกับผลธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติ สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองสามารถรู้ได้ว่ามีผลดีอย่างไรเหมือนกับการได้ริมรสอาหารนั่นเองอาหารที่เราไม่เคยริมรสเราจะไม่รู้ว่ามีรสชาติดีหรือไม่ดีเรดอร่อยหรือไม่จนกว่าเราจะได้ลองรับประทานดูพอเราได้ลองรับประทานเอาเข้าปากดู พอได้สัมผัสกับรส ก, กับกลิ่นของอาหารเราก็จะรู้ทันทีว่าเป็นอาหารที่น่ารับประทานหรือไม่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนอาหารของใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอาหารที่มีรสเลิศที่สุดรสแห่งธรรมเหนือกว่ารสทั้งปวงแต่เราจะรู้ว่ารสแห่งธรรมนี้จะเหนือกว่ารสทั้งปวงไหม เราก็ต้องสัมผัสกับรสแห่งธรรมเราต้องเราต้องปฏิบัติเราถึงจะสามารถสัมผัสรสแห่งธรรมได้การศึกษานี้เป็นเพียงการได้ยินโฆษณาเหมือนเราดูโฆษณาในภาพยนตร์ในโทรทัศน์เขาก็โฆษณาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ว่าดีหรือไม่ แต่เราก็ยังไม่รู้จริงว่าอาหารที่เขาโฆษณาเนะี่ยอร่อยหรือไม่เราต้องไปที่ร้านที่เขาขายอาหารแล้วสั่งมาลองดูพอเราได้รับประทานแนละ้วเราก็จะรู้ว่าเป็นอาหารที่น่ารับประทานหรือไม่พอรู้ว่ามันเป็นอาหารที่น่ารับประทานเราก็จะกลับไปที่ร้านนั้นอยู่เรื่อยๆเพื่อไปรับประทานอาหารที่เราได้ ได้ได้ได้รับประทานว่าเป็นอาหารที่น่ารับประทานนั่นเองรสแห่งธรรมที่ชนะรสทางปวงก็เหมือนกันการที่เราจะรู้ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทางปวงอย่างไรเราก็ต้องรู้ด้วยการปฏิบัติการปฏิบัตินี่เหมือนเหมือนกับการรับประทานธรรมะเอาธรรมะเข้าสู่ใจใจเป็นผู้รับประทานธรรมะ การที่จะให้ใจได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมจะต้องสัมผัสด้วยการปฏิบัติการศึกษานี้เป็นเพียงการได้ยินได้ฟังคุณภาพของอาหารหรือสรรพคุณหรือกิตติสัพของอาหารแต่ยังไม่ได้เป็นการรับประทานอาหารจะต้องปฏิบัติแต่ก็จำเป็นที่จะต้องได้ศึกษาก่อน เขาจึงมีความจําเป็นที่จะร้านค้าต่างๆจึงมีความจําเป็นที่จะต้องติดป้ายโฆษณาให้ผู้ที่ไม่รู้จักร้านค้านี้ว่าร้านค้านี้มีอะไรขายมีอะไรดีพอได้อ่านโฆษณาแล้วก็อยากจะไปทดลองดูว่าดีจริงหรือไม่การศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับการได้ยินโฆษณา กิตตสัพหรือสรพคุณของธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เองที่ว่าเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเนี่ชนะอย่างไรดีอย่างไรเราจะรู้ได้ต่อเมื่อต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมในแต่ละระดับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็น ระดับระดับไปเพราะผู้ที่ปฏิบัตินี้มีกำลังมากน้อยต่างกันการปฏิบัติแต่ละขั้นก็มีความยากง่ายต่างกันจึงต้องสอนตั้งแต่ระดับง่ายขึ้นไปสู่ระดับยากเหมือนกับการเรียนหนังสือตามโรงเรียนก็ต้องเรียนจากระดับง่ายขึ้นไปสู่ระดับยาก เด็กเริ่มต้นจึงมักเข้าเรียนที่อนุบาลกันเพราะเด็กเริ่มต้นยังไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้มากก็เลยต้องเรียนระดับอนุบาลที่สอนแบบง่ายๆก่อนแล้วพอเริ่มมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นก็สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับที่ยากขึ้นไปตามลำดับจากอนุบาลก็ขึ้นสู่ระดับปถม จากระดับปถมก็เข้าสู่ระดับมัธยมจากระดับมัธยมก็เข้าสู่ระดับมหาลายัยพอเข้าสู่ระดับมหาลายัยก็เข้าสู่การรับปริญญาชั้นต่างๆปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกตามลำดับต่อไปการศึกษาทางศาสนาก็เป็นเหมือนกับการศึกษาทางโลก ศึกษาและปฏิบัติต้องทำจากขั้นง่ายขึ้นไปสู่ขั้นยากแต่ถ้าเราสามารถผ่านขั้นง่ายไปได้เราก็สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นที่ยากต่อไปได้มไม่ได้ห้ามว่าจะต้องเริ่มอยู่ขั้นง่ายเราอาจจะสามารถข้ามขั้นก็ได้ถ้าเราสามารถทำขั้นต่าได้เราก็ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่เรายังทาไม่ได้ต่อไป ธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี้ก็สอนไว้อยู่สามสี่ขั้นเดียกันขั้นแรกท่านเรียกว่าทานคือการให้การเสียสละขั้นที่สองเรียกว่าศีลคือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น และสามการพัฒนาจิตใจที่เรียกว่าภาวนาภาวนานี้คือการพัฒนาจิตใจให้จิตใจจากเป็นเด็กให้เป็นผู้ใหญ่นั่นเองด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาอันนี้เป็นขั้นของการาปฏิบัติเพื่อให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม ลดแห่งการหลุดพ้นจากความทุกนั่นเองลดของความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นการดับความทุกข์ที่แท้จริง เ, เมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทาตามทำปฏิบัติขั้นทั้งสามนี้คือทานศีลภาวนาลาดับต่อไปเราก็จะต้องปฏิบัติทดลองดูว่าทำทานแล้วดีอย่างไร คำว่าทำทานก็คือเป็นการให้เราเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือจากการใช้สอยกับสิ่งที่จำเป็นเรามีข้าวของเงินทองเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายเราเป็นระดับแรกทุกคนต้องเลี้ยงดูร่างกายของตนเพราะถ้าไม่เลี้ยงดูร่างกายร่างกายก็จะ เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออดตายได้นั่นเองทุกคนยังต้องมีชีวิตอยู่เพราะเราต้องใช้ร่างกายนี้ไว้ทําอะไรต่างๆตามที่เราต้องการกันเราทุกคนเลยต้องหาเงินหาทองหาข้าวหาของกันเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายของพวกเราเราต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่ม มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคร่างกายถึงจะอยู่ได้อย่างปกติสุขแต่บางครั้งเราโชคดีหรือเรามีความสามารถเราเก่งเราสามารถหาปัจจัยสี่ได้มากกว่าที่เราจาเป็นที่จะต้องใช้สามารถหาเงินหาทองได้มากกว่าที่เราจาเป็นที่จะต้องใช้มีเล พูดง่ายๆก็คือมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เงินทองที่เหลือกินเหลือใช้นี้เราก็สามารถที่จะนำเอามาทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราได้มาดับความทุกข์ในระดับของเงินทองได้เพราะการใช้เงินทองนี้ก็สามารถใช้ไปได้สองแบบด้วยกันใช้ไปเพื่อสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้น กับใช้ไปเพื่อดับความทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักใช้เราก็อาจจะใช้เงินทองแบบสร้างความทุกข์ให้กับเราแทนที่จะเอาเงินทองมาดับความทุกข์เรากลับเอาเงินทองมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรนั่นเองเราไม่รู้วิธีการใช้เงินทอง ที่จะดับความทุกนี้ใช้อย่างไรเรารู้แต่วิธีที่จะใช้เงินทองเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังสร้างความทุกข์ให้กับเราเรากำลังคิดว่าเรากำลังสร้างความสุขให้กับเราแต่ความจริงเรากำลังสร้างความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากการใช้เงินทองของเรานี่เอง ใช้เงินทองอย่างไรที่เราที่พระเจา้าเรียกว่าใช้เพื่อสร้างความทุกข์ก็ใช้เงินทองตามความอยากต่างๆนั่นเองใช้เงินทองตามความอยากคือไม่จำเป็นจะต้องซื้อแต่อยากซื้อไม่จำเป็นจะต้องใช้แต่อยากใช้อย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากแต่ถ้าใช้เงินทองกับสิ่งที่จาเป็นอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยาก เช่นอาหารหมดจำเป็นจะต้องซื้ออาหารมารับประทานใหม่อันนี้เป็นของจำเป็นต้องซื้อไม่ได้ซื้อด้วยความอยากแต่ถ้ามีอาหารเหลือเฟือรับเพิ่งรับประทานเสร็จไปใหม่ๆแต่ยังไม่ยอมหยุดรับประทานสั่งมาเพิ่มอย่างนี้อย่างนี้ถึงเรียกว่ารับประทานตามความอยากถ้ารับประทานตามความอยากเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาต่อร่างกายได้ ร่างกายก็จะมีน้ำหนักเกินร่างกายก็จะสูญเสียรูปร่างที่สวยงามไปร่างกายจะกลายเป็นตุ่มแล้วก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเราไม่อยากจะให้ร่างกายเราเป็นตุ่มกันทุกคนอยากจะให้ร่างกายสวยงามแต่ถ้าเราไม่รู้จักการใช้เงินในการซื้ออาหารมารัะประทา เราเห็นอะไรอยากรับประทานเราก็ซื้อมารับประทานตามความอยากไม่ได้ซื้อรับประทานตามความจําเป็นเดี๋ยวร่างกายของเราก็จะมีปัญหาตามมาน้ําหนักเกินเสียเสียซวดทรงไปแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเดี๋ยวก็มีโรคเบาหวานมีโรคความดันโรคไขมันอุดตันโรคอะไรต่างๆที่เกิดจากการ รับประทานอาหารตามความอยากนี่เองนี่ก็เป็นการใช้เงินทองเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะตอนที่เรากินนั้นมันอิ่มมันสนุกกินแล้วมันมีความสุขได้กินอาหารจานโปรดได้กินอาหารชนิดที่เราชอบแล้วมันมีความสุขแต่เราไม่นึกถึงน้ำหนักที่มันจะเพิ่มขึ้นมาในร่างกายอยู่เรื่อยๆที่จะเป ทำให้เกิดโรคภยัยไข้เจ็บ ต, ต่างๆตามมาพอร่างกายเจ็บแล้วใครใครเราจะทุกข์ก็ใจนี้แหละผู้ใช้เงินทองตามความอยากนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะมารับความทุกข์ต่อไปอนี่คือตัวอย่างของการใช้เงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้ไปกับสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นทุกข์ต่อจิตใจ คือใช้ตามความอยากเห็นอะไรเราชอบเช่นเราไปเดินตามศูนย์การค้าเห็นสินค้าต่างๆเห็นแล้วเราก็อยากได้เห็นสร้อยบ้างเห็นนาฬิกาบ้างเห็นเสื้อผ้าบ้างเห็นรองเท้าเห็นกระเป๋านักของเหล่านี้เราไม่ซื้อก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นของจําเป็นไม่ซื้อมันก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายอดอยากขาดแคลน ไม่ได้ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เนื่องจากเรามีเงินเหลือเฝือเราก็เลยอยากจะใช้มันเพราะอยู่ในกระเป๋าเรารู้สึกว่ามันร้อนถ้าได้ใช้มันแล้วรู้สึกว่ามันจะทําให้ใจเราสบายขึ้นเราก็เลยคิดว่าเป็นการซื้อความสุขเพราะเวลาเราซื้อของที่เราชอบเราอยากได้พอซื้อเวลาซื้อนี่มีความสุขมาก แต่มันเป็นความสุขเดียวๆท่านั้นเองซื้อมากลับมาบ้านแล้วก็ทิ้งไว้ในบ้านบางทีไม่ได้ใช้มันเสียได้ซ้าไปตอนเห็นมันสวยมันน่ารักมันน่าดูดีก็ซื้อมาบางทีซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บไว้เฉยๆเพราะไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรเนี่ยเราจึงมีข้าวของเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าเราต้องการความสุขกันนั่นเอง แล้ววิธีที่จะได้ความสุขก็คือการใช้เงินทองตามความอยากแต่มันเป็นความสุขที่ทำให้เราหิวไม่ได้ทำให้เราอิ่มไม่ใช่เป็นความสุขอิ่มแต่เป็นความสุขหิวเพราะมันจะทำให้เราอยากซื้ออีกเรื่อยๆหิวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอซื้อวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปเจอข้าวของอีกก็อยากจะซื้ออีกถ้ามีเงินก็จะซื้ออีก ถ้าเราปล่อยให้เราใช้เงินตามความอยากต่อไปเงินที่เรามีอยู่มันก็จะไม่พอใช้เลือกจะหมดไปได้เมื่อมันหมดเลยเราก็มันก็จะทำให้เราต้องไปหาเงินทองมาเพิ่มเพื่อที่เราจะได้มาใช้เงินทองตามความอยากอีกมันก็จะเป็นวัตตะเป็นวงจรอุบาทจะทำให้เราติดอยู่ในวงจรนี้คือวงจรของการหาเงินกับการใช้เงิน ตามความอยากมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงไปปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้คือไม่สามารถไปทําบุญทําทานได้ไม่สามารถไปรักษาศีลไปภาวนาได้เพราะเราจะไม่มีเวลาไม่มีเงินเพราะเงินเอาไปใช้กับความอยากหมด เงินจะเอาไปทำบุญเลยไม่มีแล้วเมื่อเราใช้เงินตามความอยากเราก็ต้องหาเงินมาเติมอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่มีเวลาไปรักษาศีลไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมที่วัดเราก็จะติดอยู่ในวงจรอุบาทของกิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่จะพาให้เราติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เอง จิตใจของพวกเราที่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากต่างๆที่เราส่งเสริมมันนั่นเองแทนที่เราจะคุมมันกำจัดมันเรากลับส่งเสริมมันเวลาเราอยากทําอะไรอยากได้อะไรเรารีบทําทันทีเพราะเวลาได้ทําแล้วมันมีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขพร้อมเป็นความสุขที่เพิ่มความหิวเพิ่มความอยาก เราก็ไม่สนใจขอให้เราได้ได้ความสุขแบบนี้เพราะเวลาที่มันอยากนี้ใจมันรู้สึกทรมานนั่นเองเวลาอยากได้อะไรแล้วถ้ายังไม่ได้นี้ใจจะรู้สึกทรมานใจแต่พอได้สิ่งที่อยากได้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วความทรมานใจมันก็จะนับไปชั่วคราวแต่ไม่ไม่หายไป เดี๋ยวมันจะกลับมาแรงกว่าเก่ามากกว่าเก่าเราทําอะไรเราได้อะไรมาแล้วครั้งต่อไปเรามักอยากจะได้มากกว่าเดิมเพราะถ้าได้เท่าเดิมนี่มันรู้สึกว่าไม่สุขเหมือนกับได้สองเท่ากว่าเดิมได้มากกว่าเดิมแล้วมันจะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นมันก็จะผลักดันให้เราทําตามความอยากมากขึ้นเมื่อเราทําตามความอยากมากขึ้นความอยากมันก็จะ มีเพิ่มมากขึ้นอยู่ในใจของพวกเราความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันใจของพวกเราให้ไปเกิดต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ถูกความอยากที่เราได้ส่งเสริมมันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พาให้เราไปเกิดใหม่พาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ พาให้เราไปทําตามความอยากต่างๆใหม่มันจะพาเราไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อให้เรามีร่างกายกี่ร่างพอเสียร่างกายนั่นไปเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปทําตามความอยากต่อไปอยู่เรื่อยๆนั่นเองการเวียนว่ายตายของเกิดของพวกเราก็จะไม่มีวันสิ้นสุดหรไม่มีวันหมดไปได้ถ้าเราไม่ตัดความอยากต่างๆ ละความอยากต่างๆเอนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาทําบุญทําทานกันเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเงินมาทําบุญทําทานเราก็จะเอาเงินไปใช้กับความอยากถ้าเราไม่ต้องการที่จะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากในขั้นของการใช้เงินทองก่อนถ้าเรายังติด อยู่กับการใช้เงินทองกับการทำตามความอยากต่างๆเราต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินทองอันนี้ถ้าเราจะเอาเงินไปเที่ยวเราเอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานดูดูเสว่ามันจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถดึงเงินที่เราจะเอาไปใช้ไปเที่ยวนี้มาทำบุญทำทานได้เราก็จะหยุดความอยากไปเที่ยวได้ ทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเราก็เอาเงินที่จะไปใช้กับการไปเที่ยวนี้มาทำบุญทำทานแทนเวลาเราได้ทำบุญทำทานโดยเฉพาะถ้าเราเห็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำทานว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ที่เราได้ทำบุญทำทานด้วยมันจะทำให้เราเกิดมีความสุขมีความประทับใจน่าจะมีความรู้สึกอิ่มมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยว เวลาที่เราได้ช่วยเหลือใครที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนด้วยการเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี่มาช่วยเหลือเขาเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นเขามีความทุกข์น้อยลงความทุกข์ยากลาบากน้อยลงมันทำให้เรามีความสุขขึ้นมาทำให้เรามีความอิ่มใจขึ้นมาด้วยเพราะการทำบุญทาทานนี้ไม่ได้ทำให้เราเกิดความอยากเหมือนกับการไปเที่ยว นี่ก็คือวิธีที่เราจะลดละความอยากใ น, ในการใช้เงินได้ทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินตามความอยากก็เอาไปทําบุญแล้วเราก็จะหยุดการใช้เงินในการใช้ตามความอยากได้ต่อไปเราก็จะไม่ใช้เงินตามความอยากได้เลยเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินตามความอยากเงินทองก็จะมีเหลือมาก หรือว่าเราไม่ต้องหามากเพราะรายจ่ายจะน้อยลงไปมากนั่นเองเรื่รายจ่ายน้อยลงเราก็อาจจะไม่ต้องทำงานแบบแบบทุ่มเทแบบเจดวันเจ็ดคืนทำงานสองงานและบางทีก็อาจจะทำงานแบบทุจริตเพราะบางทีถ้าเราต้องการเงินมากๆและเร็วๆก็อาจจะทำให้เราต้องทา ด้วยวิธีทุจริตก็คือด้วยวิธีทำบาปเช่นช่อโกงโกหกหลอกลวงหรือลักขโมยอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าเราเลิกใช้เงินตามความอยากได้เราจะไม่มีความกดดันให้เราต้องไปหาเงินโดยวิธีทุจริตเพราะว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายน้อยมาก ใช้ใจ่ายเฉพาะแต่แค่การเลี้ยงดูร่างกายนี้เราจะมีเงินทองเหลือเฟือแลวเราก็จะสามารถที่จะลดการทำงานลงได้ลดการหาเงินลงได้เราจะมีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติทําได้นั่นเองนี่ก็คือการทำบุญทำทาน เป็นขั้นต้นสู่การนำเราเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติทำเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกระบวนการแห่งการเสริมสร้างพลังให้แก่จิตใจพัฒนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เจริญโติโ ต, โตเป็นเป็นพระห้าขึ้นมาเกิดจากการทำฐานนี้เป็น เ, เบื้องตน้น พการทำทานจะทำให้เราได้กำจัดความอยากใช้เงินใช้ทองเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองตามความอยากเราใช้เงินใช้ทองตามความจำเป็นเราก็ไม่ต้องใช้มากเราก็ไม่ต้องหามากเมื่อไม่ต้องหามากแล้วก็ไม่ต้องหาโดยทำผิดศีลผิดธรรมก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลด้พอเราทำบุญทำทานได้ใจจะมีความเมตตา จะมีความคิดที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเวลาจะทำอะไรก็จะดูผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์ว่าทำไปแล้วทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ถ้าทำแล้วเสียหายก็ไม่ทำดีกว่าออก็จะทำให้เรานีรักษาสีหน้าได้อย่างง่ายดายเราจะไม่อยากจะฆ่าไข่ไม่อยากจะลักทรัพย์ของไข่ไม่อยากจะพูดพิดเปิดโเวณีไม่อยากจะโกหกหลอกลวงไข่ ไม่อยากจะดื่มสุรายาเมาแล้วก็ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้อันนี้ก็นำไปสู่การรักษาศีลได้อย่างง่ายได้ถ้าเราสามารถทำททานได้อย่างเต็มที่คือทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปใช้ความอยากเราต้องไม่ใช้มันเปลี่ยนการใช้เงินเป็นเป้าของการใช้เงินอยากการใช้เงินตามความอยากเอามาใช้เงิน ในการทําบุญทําทานแทนแล้วเราก็จะได้เข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุก์นั่นเองพอเราทําบุญทําทานได้เราก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายได้ถ้ารักษาศีลห้าได้เราก็จะมีกําลังนะมีศรัทธามีวิรยิยะที่จะรักษาศีลแปดต่อไปหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยี่สิบน้อยี่บเจ็ดสุดท้แต่ ความศรัทธาถ้ามีศรัทธามากก็บางคนก็ไปถือศีลสองรอยิบเจ็ดเลยก็คือไปบวชเลยถ้ามีศรัทธาน้อยก็ลองถือศีลแปดไปก่อนทดลองปฏิบัติในวันที่เรามีเวลาว่างก็เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทางานทุกวันเหมือนเมื่อก่อนอาจจะทำงานแค่อาทิตย์ละสองสามวันมีเหลืออีกสามสี่วันไปอยู่วัดก็ได้ไปทดลองปฏิบัติ ด, ดี ไปภาวนาดูไปเจริญสติสมาธิปัญญาดูดูซิว่าเวลาได้เจริญแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้พอเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมถ้าเราหมั่นเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบนี่แหละที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอยู่ที่ความสงบนี้เป็นเป็นเป็นรถแห่งธรรมเต็มร้อยรถแห่งธรรมที่ได้จากการทำบุญทาทานก็ได้ระดับหนึ่งรดแห่งธรรมที่ได้จากการรักษาศีลก็ได้อีกระดับหนึ่งแต่ยางไม่จันไม่ได้เต็มร้อยเหมือนขณะที่ได้ความสงบแต่การทาบุญทาทานเราก็จะได้รับความสุขในระดับหนึ่ง ทำให้เรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นไปทำให้เรารักษาศีลให้เราอยากจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์พอเราได้รักษาศีลบริสุทธิ์เราก็ได้สัมผัสกับความเบา อ, อกเบาใจความสบาย อ, อกสบายใจเพิ่มขึ้นมาเพราะเวลาที่เราทำบาปนี้ใจเราจะไม่สบายใจกัน แล้วพอเราไม่ได้ทำบาปเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างการทำบาปกับการไม่ทำบาปว่ามีผลต่อจิตใจของเราอย่างไร เ, ออเราก็จะเริ่มเห็นศรัทธามีศรัทธาในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วเราก็อาจจะอยากจะลองเพิ่มการรักษาศีลแปดโดยการเลือกวันใดวันหนึ่งที่สะดวก คือวันที่เราไม่ต้องทํางานจะเป็นวันที่เราสะดวกเพราะการรักษาศีลแปด น, นี้ก็เพื่อที่จะทําให้เราได้มีเวลาไปภาวนานั่นเองเอเราจะไปภาวนาเราก็ต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆไปอยู่วัดเนี่ยอาจจะเอาถ้ามีแค่อาทิตย์ละวันก็อลองอาทิตย์ละวันก่อนถ้าเรามีเวลามากกว่า น, นั้นอาจจะอาทิตย์ละสามวันก็ได้อ่ อาทิตย์เราสองวันก็ได้สุดแท้แตเ่เวลาที่เรามีเราจะเอาเวลาที่เราเคยเอาไปใช้กับการทําอะไรตามความอยากต่างๆเช่นไปเที่ยวไปไปทำอะไรตามที่เราอยากทําเราหยุดการกระทําตามความอยากเหล่านั้นแล้วเอาเวลานั้นมาให้กับการาภาวนากับการรักษาศีล การรักษาศีลแปดนี่ก็เพื่อเป็นการกําจัดการกระทํากิจกรรมต่างๆที่เราเคยอยากทําที่เราชอบทํานั่นเองถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็ยังสามารถไปทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นเรายังร่วมดับนอนกับแฟนได้ยังรับประทานอาหารตามความต้องการได้ตามความอยากได้อยากจะรับประทานกี่ครั้งกี่เวลา ในแต่ละวันก็สามารถทำได้แต่ถ้าเรามาถือศีลแปดแล้วเราก็จะห้ามตัวเราเองไม่รับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารตามความจาเป็นตามความต้องการของร่างกายก็คือไม่ไม่ต้องรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะร่างกายนี้ถ้าได้รับประทานอาหารครั้งหรือสองครั้งก็จะพอเพียงต่อการดารงชีพได้ ร่างกายจะไม่ตายอย่างแน่นอนถ้าได้รับประทานอาหารวันละหนึ่งครั้งอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแต่ไม่ควรเกินเที่ยงวันเพราะว่าจะได้มีเวลาว่างจากการที่จะต้องมาคอยกังวลกับกับการหาอาหารกับการรับประทานอาหารเพื่อเราจะได้มีเวลาว่างไว้สำหรับการภาวนานั่นเอง นอกจากนั้นเราก็ยังต้องระ ง, งับการทำกิจกรรมหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการดูมหรลศพ บ, บันเทิงต่างๆจากการไปงานเลี้ยงต่างๆจากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้ที่ถือศีลแปดไม่สามารถทำได้ทำได้อย่างเดียวก็คือไปวัดผู้ที่ไปวัดกันมักจะไปถือศีลแปดกัน ไปอยู่วัดไปถือศีลแปดแล้วทีนี้ก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติสมาธิปัญญาที่จะทำให้จิตจเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่จิตที่จเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นี้ก็คือจิตของพระอริยบุคคล น, นั่นเองถ้าได้มีการเจริญสติสมาธิปัญญาจนถึงขั้นเป็นของผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นพระห้าขึ้นมาก็จะ เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาศรัท ธ, ธาก็จะเป็นศรัท ธ, ธาของผู้ใหญ่วิริยะความภาคเพียนก็จะเป็นความภาคเพียนของผู้ใหญ่สติสมาธิปัญญาก็จะเป็นสติสมาธิปัญญาของผู้ใหญ่จะทำให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้นี้ต้องอาศัยการภาวนาการทำบุญทำทานการรักษาศีลนี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาอินทรีห้าให้เป็นพระห้าได้ การที่จะทำให้อินรีย์ห้าเป็นพระหา้า t h i ต้องอาศัยการภาวนาการจะภาวนาก็ต้องมีเวลาจะมีเวลาก็ต้องถือศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองร้อยบเจ็ดนี่คือทําไมเขาถึงต้องไปบวชกันทําไมพระพุทธเจ้าจึงต้องออกบวชทําไมพระอริยสงสาวกทั้งหลายจึงต้องออกบวชเพราะถ้ายังไม่ออกบวชยังทำมาหากินเลี้ยงชีพทำอาชีพของ คารวาญาติโยมอยู่ก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาพัฒนาจิตใจให้เป็นจิตใจของพระอริยนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องไปบวชกันในเบื้องต้นก็อาจจะบวชชั่วคราวก่อนเช่นอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะไปอยู่วัดสักสองสามวันก่อนถ้ามีเวลาว่างแล้วพอได้ไ ด, ได้ได้ปฏิบัติได้เจริญได้พัฒนา สติสมาธิปัญญาจิตก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบตามกำลังของสติมสมาธิปัญญาถ้ามีเวลามากก็จะได้สัมผัสมากพอได้สัมผัสขึ้นมาแล้วจีก็จะเกิดจัดธาอยากจะสัมผัสมากขึ้นไปก็จะต้องก็จะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติมากขึ้นนั่นเองเพราะเหตุที่จะทำให้เกิดผลก็คือการปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยผลก็จะเกิดน้อยปฏิบัติมากผลก็จะเกิดมากนั่นเองพอเราได้ลองสัมผัสแล้ว เ, เริ่มได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบเราจะเกิดศรัทธามากขึ้นเกิดความเพียรมากขึ้นเพียรที่จะปฏิบัติมากขึ้นเพียรที่จะเจริญสติให้มากขึ้นเพียรที่จะนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้น เพียงที่จะพิจารณาทางปัญญาให้มากขึ้นเพราะเราได้มีความเพียรในการจเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วจิตใจก็จะพัฒนาก้าวขึ้นไปสูงขึ้นดับความทุกข์ได้มากขึ้นกาจัดความทุกข์ต่างๆได้มากขึ้นไปตามลำดับอันนี้เกิดจากการภาวนาล้วต้องภาวนาแบบเต็มรูปแบบ แต่ในเบื้องต้นอาจจะทำแบบมือสมัครเล่นก่อนคือไปทดลองดูก่อนเพราะยังไม่พร้อมที่จะทำอย่างเต็มที่เพราะยังอาจจะมีภาระหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบต่อบุคคลนั่นบุคคล น, นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วจะมีปัญญาขึ้นมาจะเห็น วิธีที่จะสามารถตัดความรับผิดชอบความผูกพันกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ได้แล้วก็จะทำให้สามารถไปปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบนี่นนคือขั้นตอนของการปฏิบัติเราต้องดึงตัวเราเองออกจากชีวิตของผู้ครองเรือนให้ได้เพราะชีวิตของผู้ครองเรือนก็เป็นชีวิตของผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในกองทุกนี้เอง ายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะพฤติกรรมของผู้คลองเรือนนี้เป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดผู้ครองเรือนทำอะไรก็ทำตามความอยากต่างๆทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามตัญหาทำตามความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากใหญ่อยากร่ำอยากรวยก็เรียกว่าวิก็เรียกว่าภาวะตัหา แล้วทำตามความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไม่สูญไม่อยากจะเสียความร่ำรวยไปไม่อยากจะเสียความเป็นใหญ่ไปออก็ต้องหาวิธีทำเพื่อรักษาความรวยออความใหญ่ของตนไว้อันนี้ก็เป็นความอยากสามชนิดด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าอันนี้แหละเป็นตัวที่จะคอยดึงจิตดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย นี่คือวิถีชีวิตของผู้ครองเรือนเป็นอย่างนี้ผู้ครองเรือนนี้อยู่กับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือหาด้วยกา마ตันหาภาวตันหาวิภาวตันหานี่เองที่เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการหลุดออกจากกอง ทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องละตันหาทั้งสามนี้คือกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็ต้องเปลี่ยนวิธีอยู่อยู่แบบคารวาะไม่ได้ถ้าอยู่แบบคารวาะก็จะต้องอยู่แบบกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานั่นเองจึงต้องไปอยู่แบบนักบวชเพราะแบบนักบวชนี้เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบว่าเป็นวิธีที่จะ หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองก็ต้องไปอยู่เพื่อเจริญสติเพื่อภาวนาเพื่อเพื่อนั่งสมาธิเพื่อเจริญปัญญาเพื่อละความอยากทั้งสามที่ยังมีอยู่ในใจให้มันหมดสิ้นไปถ้าได้รักษาศีลได้บวชได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เจริญสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่อง ใจก็จะมีพลังมีกําลังที่จะละตันหาทั้งสามได้นะกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้พอละได้ก็จะบรรลุธรรมไปตามขั้นตามลำดับขั้นแรกก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขั้นที่ก็จะตัดภพบาตาตัดการเวียนว่ายให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากในการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าสามารถปฏิบัต บรรลุถึงขั้นที่สองขั้นส ก, กิทาคามีได้ก็จะตัดการเวียนว่ายตายการตายเกิดเหลือเพียงชาติเดียวในภพของของมนุษย์ถ้าบรรลุถึงขั้นที่สามได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่แล้วถ้าบรรลุถึงขั้นที่สี่ได้ก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นพรหมเป็นอะไรอีกต่อไปก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานคือขั้นของพระอราหารันต ยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเหลือแต่ปรมังสุขขังเหลือแต่บรลมมสุขที่เกิดจากการกําจัดตัณหาทั้งสามให้หมดสิ้นไปจากใจใจก็จะสงบตลอดเวลาใจที่สงบตลอดเวลาก็จะเป็นใจที่มีบรลมมสุขนั่นเองนังที่เราคงได้ยินเสมอคำคำพูดว่านิบานังปรมังสุ ข, ขังนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง อำว่นิพานก็คือจิตที่ได้กาจัดตัณหาทั้งสามให้หมดสิ้นไปจากใจนั้นเองเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตของพระคีนาสพคือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกที่จะเป็นจิตของพวกเราถ้าเรามาเสริมศรัทธาสติสมาธิปัญญากันอย่างต่อเนื่องด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาคาสอนที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัต แล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับเหมือนกับเด็กนักเรียนที่เริ่มเข้าโรงเรียนพอเริ่มเข้าโรงเรียนก็เริ่มที่อนุบาลแล้วปีต่อไปเขาก็เลื่อนชั้นให้ขึ้นไปชั้นปถมชั้นอะไรต่อไปตามลําดับในที่สุดก็ไปได้ปริญญาตรีโทเอกกันพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไมได้มาวัดก็เหมือนกับเราได้มาเข้าโรงเรียนมาวัดอยู่เรื่อยๆอย่าหนีโรงเรียนถึงเวลาต้องมาเรียนกัน ถึงเวลาวันหยุดนี้ต้องเรียนต้องศึกษาต้องปฏิบัติทำกันถ้าทําอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลำตามลําดับแล้วในที่สุดเราก็จะได้รับปริญญาของพระพุทธศาสนาคือระดับโสดาบันสกิฎ า, า, าคามีอาณาคามีและพระอหรหันต์กันอย่างแน่นอนยึงขอให้พวกเรามีความมั่นใจแน่วแนต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อ, อการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำความสุขและนำความหลุดพ้นที่ถาวรมาให้ก่พวกเราต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะถาหวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปัฏฐิอิจิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิจตุสัพเพปเรตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัจจันตุ สัพพะโรโควินาศสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทิฆายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาละ ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคําถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงเวลาเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขออนุญาตอย่ามาถามเพราะจะไม่ได้ตอบแต่ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาแล้วจะมีผู้อ่านคําถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ เฟซบุ๊กสองร้อยเก้าสิบเอ็ดคนครับ y o u t u หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคนครับวิทยุออนไลน์สามสิบสองคนครับผู้รัปังบนเขาร้อยยี่สิบเก้าคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยี่สิบเจ็ดคนครับพระอาจารย์ใครมีคำถามไหมถ้ามียกมือขึ้นจะส่งใหม่ไปให้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเอาคำถามที่ส่งเข้ามาทางทางบ้าน คำถามจากเฟ e บุ๊ k ค่ะคำถามจากคุณชุตินันสามีภรรยาทำการค้าด้วยกันแต่สามีชอบใช้อำนาจด่าว่าภรรยาชอบพูดว่าถ้าไม่ทำเขาสามารถจ้างคนอื่นทำได้ทำไมผู้จ่ามไม่ถนอมน้าใจภรรยาเลยอย่างนี้ควรตอบโต้อย่างไรดีคะเกอสามีภรรยานี่มีหลายรูปแบบนะคนมีหลายนิสัยใจคอ พ้าะพุทธเจ้าเคยทรงแสดงว่ามีสามีแบบเป็นพ่อก็มีสามีแบบเป็นเพื่อนก็มีสามีแบบเป็นเจ้านายก็มีสามีเป็นแบบลูกน้องก็มีบางสามีบางคนก็ชอบให้เมียสั่งะบางคนก็ชอบสั่งเมียนี่เราอยู่ที่เราไปเลือกสามีแบบไหนก็ได้แบบนั้นแหละไม่เลือกก่อนเวลาดูไม่ดูว่าเขาเป็นสามีแบบไหน ก็ไปดูว่าเขามีเงินมากหรือน้อยอมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่ไปดูจริตนิสัยเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนก็เลยต้องมาเสียใจทีหลังเหมือนกับเลือกผลไม้ดูแต่ผิวดูแต่เปลือกขอมเป็นสวยหน้าดูก็เอาแต่ไม่รู้ว่ารสมันขมหรือไม่ขมอพอมาเปลือกเปลเปลือกออกพอจะกินเนื้อนะกินไม่ลงใช่ไนมะนี่แหละก็เพราะว่าไม่รู้จักเลือก คำถามจากคุณวิราวรรณค่ะการพูดจาที่ไพเราะเป็นบุญด้วยใช่ไหมเจ้าคะก็ะทำให้คนฟังแล้วก็มีความสุขใช่ไหมวาจาไพเราะใครฟังก็มีความสุขเวล า, าวาจาหยาบใครใครฟังแล้วก็ทุกข์ไม่สบายใจคำถามจากคุณมงคลค่ะขณะนั่งสมาธิเกิดอาการปวดเมื่อย เราจะเปลี่ยนอริยาบทใหม่ให้อาการปวดเมื่อยหายแล้วเรานั่งสมาธิอีกจะผิดไหมครับอ๋อมันก็ไม่ผิดหรอกมันมีสองระดับน่นั่งแบบสบายๆพ อ, อเจ็บก็เปลี่ยนอริยาบทอันนี้สำหรับขั้นเริ่มต้นยังมีพละมีอินทรีย์ต่ำมีกำลังน้อยสติน้อยยังทนกับความเจ็บปวดไม่ได้ ก็ต้องนั่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนเนริยาบทแต่มันจะไม่ก้าวหน้ามันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนั่งพอเจ็บก็เปลี่ยนเนริยาบทก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนขับรถพอไปเจอไฟแดงก็ถอยรถกลับแล้วเดี๋ยวกลับไปเริ่มต้นจุดใหม่เดี๋ยวพอมาเจอไฟแดงอีกก็ถอยรถกลับรถอีกมันก็ไปถึงแค่จุดไฟแดงนั้นมันก็จะไม่ผ่านไฟแดงไปได้ ผู้ที่จะผ่านไฟแดงไปได้ก็ต้องใจเย็นๆเจาะรอให้ไฟมันเขียวเดี๋ยวไฟมันแดงก็เดี๋ยวมันก็ต้องเขียวเองนั่งไปเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองเหมือนกันเลยเนี่ยถ้าเราใจเย็นๆมีสติหยุดความอยากที่จะถอยกลับรถก็อย่าไปกลับเหมันใช้พุโทโธช่วยเพิ่มสตินสติเราน้อยพอเจอไฟแดงก็อยากจะกลับรถทันทีเราต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธ เพื่อที่จะหยุดความอยากที่จะกลับรถให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปกังวลกับอาการเจ็บของร่างกายเดี๋ยวมันก็เป็นไฟเขียวขึ้นมาเองเดี๋ยวอยู่ดีๆอาการเจ็บเนั้นก็หายไปชาอยู่สักพักแล้วเดี๋ยวมันก็หายชาไปางั้นเราต้องใจเย็นๆพอเจอความเจ็บปวดถ้าเราอยากจะผ่านไป ขั้นนี้ไปได้เราก็ต้องอาศัยสติอย่าปล่อยให้นั่งเฉยๆนั่งดูความเจ็บแล้วมันจะทนไม่ได้พอเห็นความเจ็บมันก็จะเกิดความอยากให้มันอยากจะถอยทันทีถ้าถ้าไม่อยากจะถอยเราก็ต้องให้ใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพยายามสวดบริกรรมพุโทโธหรือยอยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้แต่เราไม่ชอบพุโทโธเราชอบสวดมนต์เรก็สวดอิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธไปอย่าไปคิดถึง ความเจ็บของร่างกายเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ไฟแดงมันก็เปลี่ยนเป็นไฟเขียวความเจ็บมันก็จะหายไปแล้ว เ, เราก็จะสามารถนั่งต่อไปได้แล้วจะสงบมากขึ้นไปด้วยพอผ่านผ่านไฟแดงไปได้แล้วจิตจะลงไปอีกระดับจะสงบลงไปอีกระดับแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บเราจะรู้จักวิธีสู้กับความเจ็บคนะาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เคยทุกมามากแล้วพูดว่าอยากบวชชีพอปัญหาทุกอย่างคลี่คลายแล้วก็เลยได้ไปบวชชีพราหมณ์5้าวันอย่างนี้มันจะแทนกันได้ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเรามีความหมายไงตอนที่เราพูดแต่เราพูดบวชชีแบบไม่ศึกแล้วพอปัญหาหมดไปบวชชี5วันมันก็แบบโกหกหลอกลวงตัวเราเองนั่นแหละขาวต่อไปมันจะไม่เชื่อเรา พอท้าต่อไปมีปัญหาบอกจะบวชชีบอกกูไม่ช่วยมึงว่ะนี่มึงหลอกกูนี่ว่ะงั้นก่อนที่เราจะให้คํา ม, มั่นสัญญากับใครเราต้องมั่นใจว่าเราต้องทําให้ได้ตามที่เราให้คํา ม, มั่นสัญญาไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นโกนโกหกหลอกลวงโดยเฉพาะโกหกหลอกลวงตัวเราเองเนี่ยแย่ ก, กว่าหลอกลวงคนอื่นเพราะมันจะทําให้เราไม่สามารถทําอะไรให้สําเร็จได้พอเจอปัญหาหน่อยก็ ก็บุญขึ้นมาทันทีว่าจะทำอย่างนี้พอสำเร็จพอผ่านไปแล้วก็ไม่ทำตามต่อไปมันก็จะทำไม่ได้คำถามจากคุณสายชนค่ะอยากเรียนหาพระอาจารย์ว่าผมชอบเช่าวัตถุมงคลเป็นการทำบุญหรือเปล่าครับมันเป็นการซื้อขายมากกว่าวัตถุมงคลถ้าเราไม่ให้เงินเขาเขาคงไม่ให้วัตถุมงคลกับเราอย่างนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญ เป็นการทำบุญต้องให้เงินเข้าไปแล้วไม่ต้องการวัตถุมงคลเป็นของตอบแทนแต่ถ้าเขาจะแจกให้อันนั้นก็เรื่องของเขาไม่ได้เป็นการซื้อขายถ้าเป็นการซื้อขายก็ไม่เป็นการทำบุญการทำบุญนี้ให้โดยที่เราไม่ได้ต้องการจะรับของตอบแทนจากผู้รับถึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญคำถามจากคุณแดงค่ะถ้ามีความหมุดหยิดกับคนในครอบครัว จะวางใจแบบไหนเพราะบางครั้งก็ไม่ได้ใจเย็นอดทนได้ตลอดเจ้าค่ะก็ต้องมองว่าเขาเป็นเหมือนเด็กทารกสิถ้าเราเห็นเด็กทารกเราก็จะไม่ค่อยงดเย็นไม่ถือสาไงเพราะรู้ว่าเด็กมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็งอแ ง, งก็จองงอแ ง, งเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ทาอะไรมันทาไม่นี่เสียหายถ้าเรามองคนทุกคนว่าเป็นเหมือนเด็กทารกเราก็จะไม่งดเยดกับเขา เขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ทางร่างกายแต่จิตใจเขายังไม่ได้พัฒนายังเป็นทารกอยู่ยังไม่ได้พัฒนาสติสมาธิปัญญาที่จะให้เขาทำอะไรให้ถูกต้องไม่ไปสร้างความหงุดหงิดให้แก่ผู้อื่นงั้นเราก็ต้องถือว่าเขาเป็นเหมือนเด็กทารกใครที่ทำลายให้เราหงดหงิด ต, ต้องบอกว่านี่มันยังเป็นเด็กไร้เดียงสาเด็กทารกอยู่อย่าไปถือสามันปล่อยมันไปตามเรื่องของมันแล้วเราก็จะไม่หงดหน คำถามจากผู้ฝากถามค่ะผมมีข้อสงสัยในหลักธรรมสองประการ 1. นึ่คำว่าโลกุตระสองคำว่าปฏิปฐานสมีความแตกต่างกันอย่างไรในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับคำว่าโลกุตระก็แปลว่าอยู่เหนือโลกเนี่ยโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเจตของพวกเราตอนนี้อยู่ในโลกยะโลกของการเวียนว่ายตายเกิด จิตเรายัางไปเกิ ด, เ ป, เ, ป เ, ดเป็นเป็นเดลฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นพรหมบ้างขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทํานี่คือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดส่วนโล ก, กุตตะละคือโลกที่อยู่เหนือหรืออยู่นอกโลกของการเวียนว่ายตายเกิดก็โลกของพระอริยะเจ้านั่นเองพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอนาคามีพระอาหารหันต์นี่ท่านอยู่ในระดับโล ก, กุตะระท่านอยู่ในระดับที่ออกจากโลกถึงแม้จะไม่พ้นทันทีก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดสโสดาบันก็เหลือเอกเจ็ดชาติสกีดาคามีก็เหลือชาติหนึ่งในกามพภพในภพของมนุษย์ส่วนอนาคามีก็เหลือเอกเหลือเอกชาติหนึ่งอยู่ในพรหมโลก อเป็นผ้าละหันก็ไม่กลับมาติดอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดในไตพบอีกต่อไปก็เรียกว่าอยู่ในโล ก, กุตระอยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดส่วนสติปฐานสีก็เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดออกจากโลกียะให้เข้าสู่โล ก, กุตระนั่นเองคุณรับถามค่ะถ้าเราศีลขาดเรายังมาปฏิบัติถือศีลเหมือนเดิมได้หรือไม่คะ ได้มันขาดก็ขาดไปสิมันขาดก็เราก็ดูว่าขาดแล้วเราพยายามอย่าทำให้มันขาดเท่านั้นเองเราก็รักษาสีต่อไปถ้าเราอยากไม่ให้มันขาดบ่อยๆก็ต้องลงโทษมันบ้างสิตัดข่าขนมมันบ้างตัดอะไรมันบ้างอย่าให้มันแบบว่าทำผิดแล้วไม่มีโทษมันก็จะไม่จาไม่มันไม่เกรงมันไม่ยำเกรงมันไม่สำนึกผิด แต่ถ้ามีการลงโทษเช่นเขาจับขังคุกสักเจ็ดวันนี้ห้ามออกเที่ยวสักเจ็ดวันนี้เวลาทำผิดศีลหรือห้ามกินของโปรดสักเจ็ดวันนี้ต่อไปมันก็จะไม่กล้าไม่กล้าที่จะผิดศีลเรากล้าลงโทษตัวเราเองหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนั้นถ้าเรากล้าลงโทษแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ผิดศีลอย่างแน่นอนคำถามฝากถามจากคุณมิมลค่ะการทำบุญอย่างการทำบุญ กับงานศพกับผู้ที่ไม่ได้รู้จักโดยตรงเช่นพ่อแม่เพื่อนเป็นต้นแล้วมีการเรีอยอะไรรวบรวมเงินกันไปโอนให้แบบนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ครับถ้าเทียบกับการทำบุญให้อย่างเช่นตักบาทแล้วอธิษฐานจิตคืยการทำบุญก็มีหลายแบบหลายลักษณะด้วยกัน โดยหลักก็คือการเสียสละข้าวของเงินทองที่เราไม่อยู่ไปให้กับคนอื่นอันนี้ก็เป็นการทำบุญเช่นมีการเลี้ยไายไปทำงานศพเราก็มีเงินทองพอจะช่วยเหลือเขาได้เราก็ให้แบ่งเราก็ให้เขาไปอย่างนี้เราก็ได้ทำบุญแล้วใส่บาตรก็เป็นการเสียสละเงินซื้ออาหารใส่บาตรผ้ามันก็เป็นการทำบุญเหมือนกันมันก็เป็นการเสียสละเหมือนกันแต่ความรู้สึกอาจจะประทับใจไม่เหมือนกัน เหมือนกับการกินอาหารกินอาหารที่เราชอบกับกินอาหารที่เราไม่ชอบมันก็อิ่มเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่สุขใจถ้าได้ ก, กินอาหารที่เราชอบมันได้ทั้งอิ่มจะอิ่มกายและสุขใจถ้าต้องกละละินอาหารที่เราไม่ชอบมันก็ได้แค่อิ่มกายแต่ไม่สุขใจถ้าเราทาบุญชนิดที่เราไม่ชอบทำมันก็จะไม่มีเกิดความอิ่มเอิบใจจะได้แต่ความอิ่มใจ แต่ไม่ได้มีความปิติใจปาก ป, ปื้มใจต่างกันตรงนั้นถ้าเราทําบุญในกับบุญที่เราชอบทําเราจะมีความปลื้มปิติด้วยมีความสุขใจด้วยมีความอิ่มใจด้วยต่างกันตรงความปลื้มปิติคำถามจากคุณสุรีพรค่ะตั้งแต่สามีเป็นมีใหม่เขาพยายามใส่ร้ายป้ายสีโกหกให้ลูกๆเกลียดแม่ควรจะทาตัวอย่างไรดีคะ ก็ทำตัวให้ดีก็แล้วกันถ้าเราดีสักอย่างเขาจะป้ายร้ายป้ายสีไงมันก็ป้ายไม่ได้หรอกมันก็แค่เป็นป้ายเป็นสีท่านเองลูกเขางไม่ ง, ง่หรอกลูกเขาก็รู้เขาก็ดูก็ไม่ได้เพียงแต่ฟังอย่างเดียวถต่ก็จะฟังอย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้ก็ เ, เรื่องของเขาเราไปบังคับให้คนเขารักหรือเกลียดเราไม่ได้เราทำได้ก็คือทำตัวเราให้เป็นคนที่น่ารักก็แล้วกัน ส่วนคนจะรัก oh. หรือไม่ไม่รักนี่เราไปบงังคับก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราไม่ขาดทุนเราไม่เสียหายถ้าเราทำตัวเราเป็นคนดีคนจะว่าเราไม่ดียังไงมันก็ไม่สามารถมาเปลีล่ยนแปลงความดีของเราได้มาลบล้างความดีของเราได้ความดีนี่แหละมันทำให้เรามีความสุขส่วนความไม่ดีของเรานี่แหละมันทำให้เราทุกข์นี่แกเราให้เราดูตรงผลที่เกิดกับตัวเราก็พอส่วนผลที่จะเกิดจากคนอื่นนี่เราไปบังคับขาไม่ได้ ขอให้เราทำความดีแล้วเราจะมีความสุขต่อให้ใครจะไม่ยินดีกับความดีของเราต่อให้เขาคิดว่าเราไม่ดีก็เราก็ไม่ไม่สามารถมาทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่ไปไปถือสากับความคิดของเขาเราอย่าไปถือสากกับความคิดของผู้อื่นเพราะเราบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ให้เราดูความคิดความรู้สึกของเรากับความประพฤติของเราก็พอถ้าเราเป็นคนดีเรามีความสุขกับความดีของเรา คนอื่นจะว่าจะด่าไงก็ไม่สามารถมาทําให้เราทุกข์ได้คําถามจากคุณสุดาวันค่ะการที่นั่งสมาธิแล้วจิตไม่รวมแสดงว่าสมาธิเรายังไม่นิ่งพอใช่ไหมคะเออสติไม่พองสติไม่พอจิตก็เลยไม่นิ่งสติเป็นเหมือนเชือกที่จะรัดตัวลิงถ้าเชือกมันไม่แข็งเดี๋ยวลิงมันดิ้นสองทีก็ขาดเนี่ย ถ้าเป็นเชือกกล้วยนี้ลองไปมัดมันดูเดี๋ยวมันก็ตกสองทีก็ขาดต้องใช้อใช้โซ่อันนี้ถ้าใช้โซ่มันก็ตกยังไงมันก็ไม่ขาดะสติระดับโซ่ก็สติที่มีกําลังมากสติที่ต่อเนื่องสติที่ไม่พลั้งเผล อ, อถ้าถ้าสติต่อเนื่องไม่พลั้งเผลอห้านาทีจิตก็จะนื่งได้ถ้าคุณปาหมี่ค่ะเวลาทําบุญทําทานแล้ว จำเป็นต้องกรวดน้ำหรือไม่เพื่ออุทิศผลบุญให้ผู้ร่วงลับหรือบรรพบุรุษคะการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ําใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไ ม, ไม่ไม่มีผลต่างกันเป็นเพียงแต่เป็นภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาให้คนที่ไม่เห็นตัวบุญเท่านั้นเองให้เขาดูกระแสน้ําว่าเป็นเหมือนกระแสบุญเวลาเราเทน้ําลงไปภาชนะเหมือนกับเราส่งกระแสบุญที่มีอยู่ในใจเราไปสู่ใจของผู้รับอีกทอดหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ต้องอุทิตถ้าเราอยากจะอุทิศให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเราต้องบอกในใจเราเองนะั่นแหะบอกเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ล่วงรับไปแล้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเขาก็จะได้ยินคําอุทิศของเราถ้าเขาต้องการก็จะมารับไปทันทีถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็จะอนุโมทนาะเช่นถ้าเขาเป็นเทวดาเขามีบุญมากกว่าบุญที่เราส่งไปเขาไม่จําเป็นจะต้องรับบุญของเราแต่ถ้าเขารู้เขาก็จะอนุโมทนาะ ยินดีกับการทําบุญของเราเพราะการทําบุญของเรานอกจากจะแบ่งบุญให้ผู้อื่นได้เราก็ยังได้บุญด้วยได้ได้มากกว่าบุญที่เราแบ่งไปด้วยคําถามจากคุณวิราวันค่ะทําอย่างไรให้สติมีกําลังมากๆเจ้าคะก็ห ม, มั่นเจริญอยู่เรื่อยๆเ <c oughs> ลื่อนตาขึ้นมาก็จเจริญสติเลยวิธีจเจริญสติก็ให้จิตอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าคิดเรื่อง เ ร, เรื่องนู่นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่กำลังอยู่กับที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นเรื่องของร่างกายนี้เองร่างกายกำลังอยู่ในอิริยาบถไหนกำลังทำอะไรให้เฝ้าดูอยู่กับอิริยาบถนั้นไปเรือกว่าถ้ามันไม่ยอมอยู่กับร่างกายก็ให้ใช้คำบริกรรมดึงเหมือนไว้ก็ได้ใช้พุทโธพุทโธไปลืมตาขึ้นมาพอจะคิดถึงข น, นมคิดถึงแฟนคิดถึงคนนั้นคนนี้กพทท็พุทโธพุทโธไป ถ้าจำเป็นจะต้องคิดเรื่องที่จำเป็นก็หยุดพุโทโธได้แล้วก็คิดเรื่องที่จำเป็นแต่อย่าไปคิดเรื่องเพ้อเจอ้อเพ้อฝันนะมันจะทำให้เราไม่มีสติคำถามจากคุณโ อ, โอวาสค่ะเวลาทุกเกิดเวลาทุกเกิดขึ้นอันดับแรกควรปฏิบัติอย่างไรให้ดับทุกได้รวดเร็วครับเราต้องหาสาเหตุของทุกก่อนว่าเราทุกเพราะอะไรเราทุ ก, กับเพราะเสียงด่าใช่ไหม ใครด่าเราเราทุกข์เราก็ต้องถามว่าแล้วใครทําอะไรที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเสียงด่าหรือว่าความอยากของเราความอยากของเราถ้าเราอยากให้เขาไม่ได่าอยากให้เขาไม่ได่าเราเพราะเขาด่าเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากให้เ้าด่าเราเพราะเขาด่าเราเราก็ไม่ทุกข์เขาเราก็จะดีใจเออวันนี้ได้ได้ฟังคําด่าของเขาแล้วอยากจะฟังเพราะคาด่าของเขามีประโยชน์ เช่นครูบาอาจารย์เวลาด่าเรานี่เราชอบเพราะท่านตักเตือนเราชี้ผิดข้อผิดพลาดของเราเวลาที่เราได้ฟังคําด่าของครูบาอาจารย์แทนที่เราจะทุกข์เรากับไม่ทุกข์เพราะเราอยากฟังแต่ท่านได้ยินคําด่าจากเพื่อนฝูงหรือคนทีเ่เราไม่คิดว่าจะด่าเราเพราะเขาด่าเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่อยากให้เขาด่าเราดงั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับคาําด่าเราก็ต้องมาแก้ที่ความอยากของเรา เราก็อยากไปอยากให้เขาไม่ได่าเราเพราะเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะด่าหรือไม่ได่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เหมือนกับฝนตกหรือฟ้าร้องนี่เราไปสั่งฟ้าร้องไม่ให้ร้องไม่ได้ฟ้ามันจะร้องเราก็อยู่กับมันไปคนจะด่าเราแล้วก็อยู่กับมันไปเหมือนกับเราอยู่กับเสียงฟ้าร้องเราก็จะไม่ทุกข์กับมันให้รู้เฉยๆจากคุณสายสุดาค่ะการอุทิศบุญ ให้กับคนที่ยังไม่ตายเช่นมานดาที่นอนติดเตียงทำอย่างไรเจ้าคะก็ทำให้เขามีความสุขเนี่ยเขาหิวน้ำก็หาน้ำให้เขากินเขาหิวข้าวก็หาข้าวให้เขากินอันนี้ก็เป็นการทำบุญกับคนเป็นคือให้คนให้เขามีความสุขแต่คนตายนี่เราให้ข้าวไม่ได้ให้น้ำไม่ได้เราก็เลยต้องให้บุญเขาไปแทนอุทิศบุญกับคนเป็นได้ไหมคะพระอาจารย์ก็นั่นแหละมันอุทิศแบบนี้ไง ก็อุทิศแบบทําบุญไงทำความดีกับเขาเขาต้องการอะไรเราก็ทําให้เขาให้เขามีความสุขบุญก็คือความสุขนี่เวลาถ้าเขาไม่มีร่างกายแล้วเราก็ทําอะไรให้เขาไม่ได้เราก็เลยต้องส่งบุญไปแทนทําบุญแล้วก็ส่งบุญนี้ไปให้เขาแทนเขารับได้แต่บุญแต่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขารับบุญไม่ได้ เขารับการกระทําของเราได้เราก็เราต้องให้การกระทําของเรากับเขาให้เขามีความสุขขออ น, นุญาตับอาจารย์คําถามยาวนะครับผมร่าที่มันสั้นได้ไหมมีอาการเข้าสมาธิได้แล้วมากเช่นเวลาติดไฟแดงถ้าบริกรรมพุทโธและหายใจลึกๆจิตก็สามารถเข้าสมาธิได้ มีบางครั้งนั่งสมาธิประมาณสนาทีก็มองเห็นร่างตัวเองลอยออกไปมีอาการไม่หายใจเหมือนคนตายจึงรับถอยเข้าร่างที่นั่งสมาธิอยู่เมื่อเดินจงกรมติดต่อกันประมาณสองชั่วโมงก็เห็นว่าตัวเองไม่มีตัวตนเป็นอากาศว่างเปล่าถ้าได้มองใครแบบนิงน่งๆดูเหมือนว่าสามารถทราบความคิดของคนนั้ น, น, นได้ จากที่ได้ปฏิบัติธรรมมานานหลายปีและเกิดสภาวะธรรมต่างๆหลายๆอย่างและตามที่กล่าวข้างต้นขอพระอาจารย์ได้แนะนาการปฏิบัติธรรมเือนๆตามรอยพระศัลาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นต่อไปเจ้าค่ะออการปฏิบัตินี้เราต้องการความสงบในเบื้องต้นเวลานั่งสมาธิเราไม่ควรที่จะไปรับรู้ไปเห็นอะไรั้นเห็นก็อยากไปสนใจ ให้อยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวหรือให้รู้อยู่อย่างเดียวถ้าไม่มีลมหายใจให้รู้ก็ให้รู้ว่าตอนนี้ใจคิดหรือไม่คิดถ้าใจคิดก็หยุดมันถ้าใจไปรู้อะไรก็ดึงมันกลับมาอย่าไปให้มันไปสนใจอย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆให้มันเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในขั้นของสมาธิวนในขั้นของปัญญานี้ เราต้องรอออกจากสมาธิก่อนแล้วเราถึงเจริญปัญญาได้เจริญปัญญากใกล้เราพิจารณาตายรักในสิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเราก็เป็นตายรักไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนาตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่จะต้องมีวันแยกสลายแตกออกไปคนตายเวลาคนตายมันก็จะสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไป น้ำก็ออกจากร่างกายไปไฟก็หายไปลมก็หายไปเหลืออยู่ก็กลายเป็นดินไปให้พิจารณานี้เห็นว่าเป็นไตลังถ้าไปยึดไปติดก็จะทาให้เราทุกข์ถ้าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายก็จะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงดินน้าลมไฟ เราก็จะไม่เกิดความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันออนี่คือปัญญาวิปัสสนาพิจารณาความจริงเพื่อที่จ ะ, ละปล่อยวางไม่เกิดไม่ให้มีความอยากกับสิ่งต่างๆให้สิ่งต่างๆเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขามีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมมีมามีไปไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปคำถามจากคุณแดงค่ะเพื่อนทำงานเป็น call center ธนาคารแห่งหนึ่งรับสายแต่ละวัน60สายขึ้นไปแต่ละสายพูดจาดีบ้างไม่เพราะหยาบคายบ้างทําให้เครียดกับงานมากแต่ต้องทํางานต่อไปเพราะความจําเป็นอย่างนี้ต้องทําอย่างไรดีเจ้าคะก็อย่าไปหยาให้เขาพูดดีเลย ก็คิดว่าเราเป็นกระโทนก็แล้วกันหน้าที่ของเรามารับร้องความทุกคนทุกมันจะพูดดีได้ยังไงถ้าเขาสุขเขาก็ไม่โทรมาหาเราใช่ไหมเขาทุกเขาถึงนั่งโทรมาหาเราเขาต้องมาการระบายความทุกเราเป็นเหมือนกระโทนรับอุจจาระอย่างเงี้ยแล้วเราจะบอกว่าเราไม่ยินดีรับอุจจาระได้ยังไงถ้าเราไม่ยินดีเราก็ต้องเปลี่ยนงานนนั้นได้เราคิดว่าเราเป็นกระโทนมาลองรับอุจจาระของคนที่เขาระบาย เขาปวดท้องเนี่ยก็เลยต้องมาระบายกับเราเราเป็นโถส้วมก็ปล่อยเขาระบายไป <c oughs> เขาระบายเสร็จแล้วก็ชักโคเหมืันไปก็ทิ้งมันไปเอราเขาบ่นก็ว่าก็อะไรก็เสร็จแล้วเขาวางหูก็เราก็ชักโคลงไปปล่อยมันไปอย่าไปคิดถึงมันมันก็จบมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเราอยากให้ทุกคนพูดดีกับเราเดี๋ยวเราก็จะทุกเวลาเจอคนพูดไม่ดีพราะเราไปควบคุมไปสั่งไปบังคับเขาไม่ได้ แต่เราควบคุมใจของเราได้ถ้าเราตัดความอยากให้เขาพูดตีได้เราจะสบายใจพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพยายามทําตัวเราให้เป็นเหมือนปัตตพีทําเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะย่ําปล่อยเขาเหยียบไปให้เขาย่ำไปใครเขาจะดูถูกดูแคลนใครเขาจะอุจจาร ะ, ะปัสสาวะใส่ปัตตพีปัตพปตพีไม่เห็นเดือดร้อนนั่นแหละถ้าทำใจหนักแน่นแบบปัตตพีได้เราจะสบาย คำถามชาคุณกนิฐาค่ะการสวดมนต์การแผ่เมตตาหรือการภาวนาคําว่าพุโทโธจําเป็นต้องนั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาหรือในห้องพระหรือไม่คะไม่จําเป็นหรอกทำได้ทุกเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับไม่ว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ถ้าเราต้องการควบคุมจิตใจเราต้องใช้พุโทโธใช้การสวดเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ให้ใจลอยไปมันลอยมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่ในความสงบเราสามารถทําได้ในทุกิริยาบททุกเวลาแม้แต่อยู่ในห้องน้ําถ่ายอุจจาร ะ, ะก็สามารถที่จะเจริญสติได้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการไม่เขราลบเพราะนี่คือการปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชาก็คือการเจริญสติในทุกอิริยาบทในทุกสถานที่ในทุกเวลานั่นเองคําถามจากคุณโดนค่ะ ก า, การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราจะต้องปฏิบัติในสภาวะจิตที่เป็นปัจจุบันในชีวิตประจําวันหรือในสภาวะจิตที่เป็นสมาธิตอนนั่งสมาธิครับออตอนนั่งสมาธิเราปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้นั่งสมาธิเป็นเวลาที่เราเติมพลังให้กับจิตเหมือนตอนที่เราไปจอดแวะตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ํามัน เวลาเราเติมน้ำมันรถเราเอารวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องเติมน้ำมันให้เสร็จก่อนแล้วเราอยากจะวิ่งไปไหนค่อยค่อยขับรถวิ่งไปวิปัสสนาก็เหมือนกับพาจิตเราไปที่นั่นพาให้เราออกจากกองทุกนั่นเองแา่จะออกจากกองทุกได้ต้องมีน้ำมันเติมก่อน<ม>เติมสมาธิก่อนให้มีกำลังก่อนพอเราออกจากสมาธิแล้วทีนี้เราก็มาใช้วิปัสสนาเพื่อดับความทุกข์ได้ วิปัสนาก็มีสองลักษณะลักษณะแบบเตรียมการกับลักษณะทำข้อสอบทำการบ้านกับทำข้อสอบถ้ายังไม่เจอความทุกข์ล้วก็คิดทำการบ้านไว้ก่อนต่อไปเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องเตรียมตัวสอนใจให้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายพอเรายอมรับได้เวลาเราเจอข้อสอบเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อันนี้วิปัสนาเป็นสองสองตอนถ้าเจอเหตุการณ์จริงก็ทำข้อสอบไปเลยถ้าถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนอาจจะสอบตกถ้ายังไม่ทำการบ้านแล้วต้องไปทำข้อสอบนี้อาจจะสอบตกแต่ถ้าถ้าได้ทำการบ้านไว้ก่อนพอไปเจอข้อสอบมันก็จะสอบไม่ตกมันก็จะสอบผ่านได้แต่บางทีอาจจะสอบเราเจอข้อสอบที่เรายังไม่ทาการบ้านเราก็ถือว่าเป็นการทาบ้านทาข้อสอบพร้อมๆกันไปเลยก็ได้ ก็อาจจะผ่านได้ถ้าอาจผ่านไม่ได้ก็ต้องกลับมาทําการบ้านต่อก่อนแล้วค่อยกลับไปสอบใหม่ตอนนั้นก็ต้องทุกไปก่อนเอาแล้วนะวันนี้เวลาหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด